ธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีครมพีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการามรื่องกรรมสกตา ในครั้งสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะทรงไต่ถามทุกสุขของบรรดาพระสาวกทั้งหลายท่านไม่ได้ทรงถามอย่างที่พวกเราใช้ถามกันว่าเป็นอย่างไรบ้างหรือสบายดีหรือข้อความที่พระองค์จะทรงถามก็คือขันท่าของเธอขณะนี้เป็นอย่างไรรูปเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรและเสื่อมไปอย่างไรตลอดถึง เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ทรงถามอย่างเดียวกันหรือมิฉะนั้นก็จะทรงถามว่าธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟและธาตุลมของเธอขณะนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และแปรเปลวนไปอย่างไรการถามเช่นนี้ก็เพราะท่านเข้าใจกันดีแล้วว่าร่างกายนี้คืออะไรสุขทุกข์มันเกิดขึ้นแต่ที่ไหนและอะไรที่เป็นตัวสุข หรือทุกการฟังธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาอย่างหนึ่งฉะนั้นการสดับพระธรรมเทศนานี้จึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะสามารถจะทำให้ผู้ฟังอาจสำเร็จมรรคผลจนถึงพระนิพพานได้ตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อทรงแสดงพระธรรมจักกับพระวัตนสูตรโปรดพระเบญจะวกีนั้น พอแสดงจบเนื้อความพระัญญาโกณทัญญะก็ได้สําเร็จบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระโสดาบันทันทีเป็นองค์แรกแล้วต่อมาเมื่อทรงแสดงอนัตตลักษณะสูตรพระเบญจวัคคีทั้งห้าจึงได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์ถีนาศพทั้งหมดการที่พระเบญจวัคคีฟังธรรมแล้วก็ได้สําเร็จบรรลุมรรคผลในทันทีทันใดนั้นก็เพราะท่านได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันจริงๆ ด้วยจิตใจที่แน่วแน่ขณะที่กำลังสดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอยู่นั้นพระัญญาโกนทัญญาได้กระทำจิตของท่านให้ตั้งอยู่เป็นสมาธิตลอดเวลาแม้จะได้ยกจิตพิจารณาตามเนื้อความไปแต่ก็ไม่ได้วอกแวกหันเหไปนอกทางท่านรักษาระดับจิตของท่านไว้ให้เที่ยงตรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับหลักต่อที่มันอยู่ในน้า เมื่อได้ยกขึ้นมาพ้นน้ำแล้วมันก็ขึ้นมาตั้งตรงอยู่บนฝั่งก่อนที่พระอัญญาโกณธัญะจะได้สดับพระธรรมนั้นก็เปรียบเหมือนกับตอที่ยกขึ้นมาพ้นน้ำแต่แล้วตอนั้นก็กลับมาตั้งอยู่บนพื้นดินตามเดิมจิตของพระอริยะบุคคลย่อมมีอาการคงที่อยู่อย่างนี้ไม่ได้มีอาการขึ้นลงหวนไหวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นส ผู้มีปัญญาเปรียบเหมือนกับขอกที่มีคมสามคมจะเวียงไปทางขวาก็ทะลุเวี่ยงไปทางซ้ายก็ทะลุพุ่งตรงไปข้างหน้าก็ทะลุเหตุนั้นจึงเป็นผู้ปลอดภัยคือจะคบกับผู้ใหญ่หรือนักปราชญ์ก็ได้ความรู้จะคบกับเด็กหรือคนที่เลวกว่าก็ได้ความรู้ส่วนคนที่ไม่มีปัญญานั้นท่านเรียกว่าเป็นคนไม่ปลอดภัยไปคบคนมีปัญญาเข้า ก็ถูกเขาไล่งอก่อมาไปพบคนชั่วเข้าก็หน้าเหี่ยวหน้าแห้งกลับมาอีกมันเป็นเช่นนี้แหละจึงเรียกว่าไม่ปลอดภัยคนมีปัญญานั้นเขาจะต้องถือประโยชน์ได้ทุกด้านทุกมุมแต่ไม่ใช่ประโยชน์ของโลกเป็นประโยชน์ในทางธรรมคือความสุข 4. มรรคผลนิพพานไม่ใช่สมบัติของคนโง่หรือคนฉลาดแต่เป็นสมบัติของผู้มีสัจจะความตั้งใจจริง ในการประกอบความดีให้แก่ตนเองซึ่งเป็นนิสัยบา ร, รมีอันติดอยู่ในจิตสันดานของเขาด้วยฉะนั้นจึงอยา่าไปเหยียดยามดูถูกในคนที่เขามีปัญญาน้อยหรือฐานะกำเนิดชาติสกุลของเขาที่ตกอยู่ในความต่ำต้อยก็ดีเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่ที่กรรมแห่งบุคคลซึท่ทำไว้ในการก่อนจึงส่งผลจำแนกให้มาเป็นในลักษณะต่างๆกัน บางคนแม้จะตกไปอยู่ในสกุลที่ลำบากยากเห็นใจก็สักแต่ว่ากรรมซัดไปเท่านั้นแต่ความดีซึ่งติดอยู่ในจิตสันดานของเขามีอยู่เขาก็อาจจะสำเร็จมรรคผลได้ในวันใดวันหนึ่งที่กรรมนั้นซัดไปให้เกิดในสกุลยากก็เพื่อจะทรมานเขาให้แลเห็นทุกเห็นโทษและใช้หนี้เวรเก่าของเขาให้หมดสิ้นไปก็มีเพราะคนเราทุกคนที่เกิดมานี้ ย่อมเกิดมาแต่ผลของกรรมเก่าที่ตนกระทําไว้ทั้งสิน้นถ้าผู้ใดมีดวงตาหยาดผู้นั้นก็อาจจะรู้ถึงชาติภพของตนที่กระทํากรรมอันใดไว้ผู้ใดที่ดวงตา ย, ยังมืดอยู่ด้วยเอาวิชาผู้นั้นย่อมมองไม่เห็นเรื่องของกรรมนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนไว้มิให้เราประมาทผู้ใดทดําดีก็ย่อมไม่หนีจากกรรมดีนั้นผู้ใดทําชั่ว ก็ย่อมไม่หนีจากกรรมชั่วนั้นเหตุนั้นจึงควรมีความสำรวมระวังอย่าประมาทในสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่าเหยียดหยามติเตียนในวัตถุฐานของผู้ใดในศีลของเขาก็ดีในภาวนาของเขาก็ดีเขาอาจมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความดีแฝงอยู่ภายในแต่ถูกปกปิดไว้ด้วยกรรมที่มองไม่เห็นถ้าเราไปประมาทเขาเขา้ากรรมนั้นอาจกลับมาเป็นโทษสนองตัวเราเอง ให้ได้รับผลวิบากในการภายหน้าก็ได้หจะได้แสดงอดีตนิทานให้ฟังถึงเรื่องนางคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นอุปทาพระพุทธเจ้าในสมัยที่ล่วงมาแล้วองหนึ่งว่านางคนนี้ได้เป็นผู้ประกอบอาหารถวายพระพุทธเจ้าองคนั้นอยู่เสมอทุกวันเป็นนิดและครั้งนั้นก็ได้มีนายพรานคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธเจ้าองนั้น เป็นอย่างมากเหมือนกันเมื่อในพรานไปล่าสัตว์ในป่าและได้อะไรมาก็นํามามอบไว้ให้แก่นางซึ่งเป็นผู้ปรุงอาหารถวายนั้นเสมอบางทีก็เป็นเนื้อสดสดบางทีก็เป็นสัตว์เป็นเป็นเมื่อแกนํามามอบไว้แล้วก็สั่งกําชับให้นางนั้นจัดทําเป็นอาหารถวายพระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นให้ได้นางผู้นี้ก็ได้มีจิตเกลียดชังในการฆ่าสัตว์ ของนายพรานเป็นอย่างยิ่งคิดแต่ในใจว่าถ้าตาพรานคนนี้มาเป็นสามีของเราเมื่อใดเราจะด่าว่าเสียให้สมใจทีเดียวต่อมาเมื่อนางได้ทำการกิริยาตายแล้วผลแห่งกรรมดีที่ได้เคยเป็นอุปถาพระพุทธเจ้านั้นก็ส่งให้นางได้ไปเกิดในสกุลที่สูงสกุลหนึ่งและมีรูปร่างงดงามส่วนนายพรานคนนั้นเมื่อตายไปแล้ว ผลแห่งกรรมก็ส่งไปให้ได้เกิดเป็นพยายักอำนาจของกรรมดีที่มีศรัทธาถวายเนื้อสัตว์เป็นอาหารของพระพุทธเจ้าส่งไปให้ได้เกิดเป็นพยาส่วนอำนาจของกรรมชั่วที่เป็นพรานฆ่าสัตว์ส่งไปให้ได้เกิดเป็นยักษ์เมื่อคนทั้งสองนี้ได้เสวยผลแห่งบุญและกรรมของตนหมดแล้วก็ตายไปและกลับมาเกิดในภพเก่าตามเดิมพยายักนั้น ก็กลับมาเป็นพรานป่าอีกส่วนนางก็มาเกิดในตระกูลสามัญชนแต่ด้วยครรมอันหนึ่งซึ่งนางได้เคยกล่าวปรามทายไว้ว่าถ้าในพรานได้มาเป็นสามีของนางเมื่อใดนางจะต้องด่าว่าให้สมใจนั้นยังเป็นเชื้อชนวนอยู่ที่นางจะต้องเสวยผลแห่งกรรมนี้เหตุนั้นในวันหนึ่งขณะที่นางถือตะ ก, กร้าจะไปซื้อของในตลาดก็บังเอิญ ได้ไปพบกับนายพรานซึ่งกําลังหิ้วเนื้อสดจะนําไปส่งขายในตลาดพอดีด้วยบุพกรรมที่เคยมีอยู่ด้วยกันในการก่อนจึงบันดาลให้นางเกิดมีความพอใจรักใคร่นายพรานนั้นและอยากจะได้เป็นสามีคิดแล้วนามก็เลยทิ้งตะกระ้าเดินตามนายพรานไปจนกระทั่งถึงบ้านและได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากันจนเกิดบุตรเป็นชายถึงสามคนในครั้งนั้น เป็นสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรากำลังเสด็จไปโปรดแสดงธรรมตั้งสอนประชาชนพลเมืองจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์กันเกลื่อนกลนส่วนนางภรรยาของนายพรานนั้นเป็นผู้ซึ่งมีนิสัยเป็นบุญกุศลติดมาแล้วแต่ในสันดานเดิมครั้นได้ยินกิติศัพท์เขาเล่าลือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดแสดงธรรมก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าไป ตามกระแสข่าวอันนั้นจนได้ไปพบพระพุทธองค์สมตามความปรารถนาและด้วยความดีของนางซึ่งเคยมีอยู่แต่เดิมนั้นยังฝังอยู่ในจิตใจครั้นมาได้สดับธรรมของพระองค์นางก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อได้เดินทางกลับมาถึงบ้านของตนแล้วนางก็ไม่ได้สนใจใ่ดีกับนายพรานนั้นอีกแต่ก็ให้คิดถึงมีความเมตตาสงสารต่อนายพรานเป็นอันมาก ที่เห็นว่าเขายังเป็นผู้มีกิเลสหนาแน่นต้องตกอยู่ในการกระทําบาปจาช้าไม่มีวันจะถอนตัวได้และตามที่ตนได้เคยคิดไว้ในชาติก่อนว่าจะด่าว่านายพรานให้สมใจนั้นด้วยนิสัยที่ดีที่มีอยู่ในสันดานเดิมก็ทําให้นางไม่ได้เคยด่าแช่งเขาสักคำเพราะธรรมดาสามีภรรยาเมื่ออยู่ใกล้ชิดกันเข้าแล้วก็ย่อมเกิดความพอใจรักใครกัน ท่านเมื่อได้มาฟังพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาสั่งสอนก็เลยเมตตาในพรานเป็นอย่างยิ่งในที่สุดจึงกล่าวกับนายพรานว่าขอท่านจงไปฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบ้างเถิดธรรมะของพระองค์จะทําให้ท่านมีความสุขนายพรานก็กล่าวตอบว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่เห็นจะมีดีอย่างไรนอกจากจะคอยห้ามเราไม่ให้ฆ่าสัตว์ถ้าแม้เราเชื่อท่าน เราสองคนผัวเมียรพร้อมทั้งลูกอีกสามคนก็จะต้องพากันอดตายหมดทั้งบ้านแล้วเขาก็เข้าป่าไปล่าสัตว์ตามเคยส่วนนางเห็นสามีของตนไม่ยอมเชื่อแต่ก็ไม่ใช้วาจาว่ากล่าวติเตียนเขาอย่างใดเป็นแต่คิดในใจว่าเราจะต้องพยายามตามไปสืบดูสถานที่ที่สามีของเราไปคอยดักสัตว์อยู่แล้วเราก็จะไปกราบทูลพระพุทธเจ้า ให้พระองค์เสด็จไปโปรดสามีของเราณที่นั้นๆให้จงได้เมื่อคิดอุบายได้แล้วพอตื่นเช้าขึ้นนางก็ทำเป็นกุลีกุจอช่วยจัดหาสเสบียงอาหารและเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์เตรียมไว้ให้ในายพรานจนพร้อมเสร็จพอนายพรานลงจากเรือนนางก็ช่วยหยิบช่วยถือช่วยหิว้วสิ่งของเหล่านั้นตามเขาไปด้วยทาทีเสมือนว่าจะไปช่วยเขาทาการล่าสัตว์ฉะนั้น ครั้นเมื่อตามไปถึงจนได้รู้เห็นสถานที่ซึ่งนายพรานวางบ่วงไว้ล่อสัตว์แล้วนางก็รีบกลับบ้านและตรงไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลแด่พระองค์ว่าบัดนี้สามีของนางนั้นเขามีอาชีพเป็นนายพรานยังเป็นผู้ตกอยู่ในห่วงแห่งการกระทำบาปอย่างร้ายแรงนักขอเชิญเสด็จพระองค์จงได้ทรงเมตตาไปโปรดเขาด้วยเถิดพระพุทธเจ้าทรงทราบว่านางนี้ เคยเป็นผู้มีความหวังดีต่อพระพุทธเจ้าในการกอนโน้นมาและได้ร่วมกรรมดีและกรรมชั่วกับนายพรานมาอย่างไรก็ทรงรับว่าพระองค์จะเสด็จไปโปรดนายพรานตามคำขอร้องของนางนางก็มีความปิติสมนัตน้อมกายลงถวายนมัสการพระพุทธเจ้าแล้วก็ถอยหลีกออกมาและเดินกลับไปยังบ้านของตนวันรุ่งขึ้นเช้าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จตื่นจากบรรทมแล้ว ก็ทรงของผ้าจีวรเรียบร้อยและถือบาดเสด็จออกจากพระคันทกุดีตรงไปยังสถานที่ซึ่งนายพรานไปคอยดักสัตว์อยู่เมื่อเสดไปถึงสถานที่นั้นแล้วก็ทรงประทับยืนนิ่งจุษสีภาพอยู่ตรงที่นายพรานวางไข่ล่อสัตว์ไว้ทรงกระทำพระหารไทยของพระองค์สงบนิ่งอยู่ในสมาธิและแผ่พระเมตตาออกไปยังสพรพพสัตว์ทั้งหลายโดยรอบทั่วบริเวณสถานที่นั้น ด้วยอํานาจแห่งความบริสุทธิ์ในน้ําพระหฤทัยของพระองค์ที่ทรงแผ่เมตตาออกไปก็กระทําให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายณที่นั้นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วกันและไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะล่วงล้ํากล้ากไายเข้ามาในเขตสถานที่ซึ่งนายพรานได้วางบ่วงไว้ล่อหนั้นเลยย้อนไปกล่าวถึงนายพรานสามีของนางนั้นครั้นรุ่งเช้าขึ้นก็แบกธนูหน้าไม้ตรงไปยังที่ซึ่งตนวางข่ายไว้ พอมาถึงแตกไกลและเห็นพระพุทธเจ้าประทับยืนถือบาทนิ่งอยู่ในเขตล่ า, าสัตว์ของตนก็เกิดความไม่พอใจทันทีแต่หารูไม่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็คิดในใจว่าสมณะองค์นี้จะต้องเป็นเสนียดกันไรแก่เราเป็นแน่แท้ตราบใดที่มายืนกีดขวางอยู่ในเขตของเราเช่นนี้จะมีสัตว์ตัวใดเล่าที่จะกล้าผ่านเข้ามาในข่ายของเราวันนี้เราก็จะต้องผิดหวัง เดินกลับไปบ้านมือเปล่าเนื้อสัตว์อะไรก็จะไม่มีไปขายเงินก็ไม่ได้ภรรยาและลูกของเราอีกสามคนก็จะต้องอดไปวันหนึ่งถ้าขืนปล่อยให้ยืนอยู่อย่างนี้ก็จะไม่เป็นการแน่คิดแล้วจึงยกคันธนูขึ้นใส่บาชักลูกศร อ, ออกจากแหลงเสียบเข้าตรงกลางคันเท้าข้างหนึ่งก็ยันไว้อีกข้างหนึ่งก็ขยงขึ้นมือก็เหนียวคันธนูนั้นอย่างเต็มที่หมายจะเล็งยิง ไปให้ถูกตรงกับลูกตาข้างซ้ายของสัมปณะนั้นพอดีแต่ด้วยอำนาจแห่งความบริสุทธิ์และพระเมตตากรุณาของพระองค์ที่มีอยู่นั้นก็ทำให้ลูกสอนหาหลุดออกจากคันไม้นายพรานก็ตั้งท่าเหนียว้างยืนแข็งอยู่กับที่จะยกแขนหรืองอขาลงแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็หาขยับขยื่นเคลื่อนไหวไปได้ไม่น้าตาก็หยดน้าลายก็ย้อยไหลลงมาจนถึงพื้นดิน ฝ่ายลูกชายคนที่หนึ่งรออยู่ที่บ้านจนตะวันสายยังไม่เห็นบิดาของตนกลับมาผิดสังเกตก็ช่วยธนูใส่บาออกจากบ้านตรงไปดูพอไปถึงสถานที่นั้นก็เห็นบิดาของตนกำลังตั้งท่าเล็งยิงไปยังสมณะองค์นั้นอยู่ก็สำคัญว่าสมณะนั้นคงจะเป็นศัตรูเป็นแน่แท้จึงตรงเข้าไปหวังจะช่วยบิดาแล้วก็ยกคันธนูขึ้นพาดสาย ยืนขย่งเท้าน้าวคันธนูหมายจะเล็งยิงไปให้ตรงกับในตาข้างขวาของสมะนะนั้นแต่แล้วตนเองก็ต้องยืนแข็งอยู่กับที่ในลักษณะเช่นเดียวกันกับบิดาของตนอีกคนหนึ่งโดยที่ลูกสอนก็หาหลุดออกไปทำอันตรายแก่พระพุทธเจ้าไม่ส่วนบุตรชายคนที่สองเห็นพ่อกับพี่ชายของตนหายไปนานก็สงสัยจึงตามไปดูอีก ก็พบพี่ชายกับบิดากําลังอยู่ในท่าอย่างเดียวกันตัวเองก็ตรงเข้าไปจะช่วยคนทั้งสองพอยกธนูขึ้นจะเล็งยิงไปให้ถูกกลางซวงอกแห่งสำนนทะนั้นก็ต้องยืนแข็งอยู่ในลักษณะท่าเดียวกันอีกเป็นคนที่สามฝ่ายบุตรชายคนสุดท้องเห็นพี่ชายสองคนกับบิดาหายไปนานก็เกิดความสงสัยจึงออกจากบ้านตามไปดูอีก ก็พบคนทั้งสามกำลังยืนเรียงกันอยู่เป็นแถวในลักษณะอาการเดียวกันเช่นนั้นก็เข้าใจได้ดีตัวเองก็ยกธนูขึ้นแหลงไปหมายจะยิงให้ถูกตรงกับหน้าผากของสัมมนานั้นพอดีแต่แล้วนายพรานพ่อลูกรวมทั้งสี่คนนั้นก็ต้องมีอาการตัวแข็งอยู่กับที่เช่นเดียวกันหมดส่วนทางภรรยาของนายพรานเห็นสามีกับลูกชายสามคนหายไปนานผิดสังเกตเช่นนั้น ก็เกิดความสงสัยว่าอาจจะมีการประหัดประหารต่อสู้กันอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่คิดเช่นนั้นแล้วนางจึงออกจากบ้านเดินตามเข้าไปในป่าและตรงไปยังที่ซึ่งนายพรานล่อสัตว์ได้พบสี่คนพ่อลูกกำลังตั้งท่าจะยิงพระพุทธเจ้าเช่นนั้นก็ร้องตะโกนห้ามไปแต่ไกลว่ายายาอย่าฆ่าพ่อของฉันนายพรานพอได้ยินว่าพ่อของฉันก็สะดุ้งใจ ตนเองก็ยังไม่เคยรู้จักว่าภรรยาของตนนี้เป็นลูกเต้าเหล่าใครตั้งแต่อยู่อินด้วยกันมาครั้นมาได้ยินนางร้องห้ามว่าอยากฆ่าพ่อของฉันเช่นนั้นก็เข้าใจว่าสมณะองค์นั้นคือพ่อตาของตัวเองด้วยอำนาจแห่งความรักภรรยาก็เลยพลอยรักพ่อตาไปด้วยจิตใจที่โหดเยี่ยมอยู่ด้วยความอาฆาตมาต ร, ร้ายก็คลายลงพอใจอ่อนลงมือเท้าที่แข็งอยู่กับที่นั้น ก็ค่อยๆอ่อนลงตามพอเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยพร้อมทั้งบุตรชายทั้งสามคนนั้นก็พลอยได้คลายตัวลงเช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่ได้ตลอดเต็มที่หมดทั้งตัวต่อจากนั้นนายพรานก็ล้ำลึกขึ้นในใจว่าพ่อตาของเรานี้ความจริงก็เป็นผู้มีบุญคุณอยู่เราได้ทำการล่วงเกินท่านมากนักควรที่จะต้องกราบไหว้ขอโทษท่านเสียจึงจะควรพอคิดได้เช่นนั้น มือเท้าของตนซึ่งยังแข็งอยู่ก็อ่อนลงตลอดทั้งตัวธนูที่ถืออยู่ก็หลุดจากมือตกลงยังพื้นดินนายพรานก็ซุดตัวลงประนมมือขึ้นกระทาอัญชลีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นส่วนบุตรชายทั้งสามคนเมื่อได้แลเห็นวิดาของตนก้มลงกราบสมณะซึ่งคิดว่าเป็นตาของตัวเองต่างก็วางธนูและลูกศรลงและกระทาอาการเคารพ เช่นเดียวกับบิดาบ้างต่อจากนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมโปรดคนทั้งสี่นั้นในพรานสดับพระธรรมเทศนาของพระองค์แล้วและทราบว่าสมณะนั้นคือพระพุทธเจ้าก็มีจิตเลื่อมใสขอถึงพระไตรสารณคมพอถึงวันพระแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำก็งดการล่าสัตว์ออกจากบ้านไปวัดสมาทานศีลฟังธรรม แต่ก็ยังไม่งดเว้นการล่าสัตว์ได้เด็ดขาดทีเดียวพอพ้นจากวันพระก็ถือธนูหน้าไม้เข้าป่าตามเดิมดังนั้นเมื่อตายไปเขาจึงต้องไปเกิดในอบายแต่ก็ได้กลับชาติมาสวยสุขในเมืองมนุษย์บ้างเป็นคราวๆด้วยผลแห่งกรรมดีที่ตนได้กระทำไว้ส่วนนางผู้เป็นโสดาบันนั้นเมื่อทากาลกิริยาแล้วก็ได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์เป็นนางฟ้าอยู่หกชาติ คืออยู่ในจาตุมหาราชิกาชาติหนึ่งอยู่ชั้นดาวดึงษาชาติหนึ่งอยู่ชั้นยามาชาติหนึ่งอยู่ชั้นดุสิตชาติหนึ่งอยู่ชั้นนิมมานราตีชาติหนึ่งอยู่ชั้นปรนิ ม, มิตวัสวัตตีชาติหนึ่งแล้วก็สําเร็จเป็นพระอนาคาไปเป็นพรหมอยู่ในสุทาวาสแล้วก็เลยได้สําเร็จเป็นอรหันต์อยู่ในที่นั้น 6. อดีตนิทานเรื่องนี้เป็นคติ ที่จะให้เราระลึกถึงเรื่องผลของกรรมที่ท่านเรียกว่ากรรมมัศกตาสัตว์มีกรรมเป็นของของตนกรรมดีกรรมชั่วของใครทําไว้ย่อมเป็นของคนนั้นหรือที่เขาเรียกกันว่าพรหมลิขิจรูปกายภายนอกหรือชาติสกุลเป็นผลที่ส่งมาแต่กรรมของบุคคลให้มีดีเลวต่างๆกันแต่ความดีที่ฝังเชื้ออยู่ภายในของเขานั้นเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้ แม้แต่สัตว์เจรชนก็ยังมีความดีอยู่เช่นพระโพธิสัตว์นั้นเกิดเป็นนกยุงทองก็มีบางทีก็เกิดเป็นพญาช้างหรือเป็นนกกระยางก็มีเพราะฉะนั้นอย่าไปเหยียดหยามลบหลู่ซึ่งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคุณธรรมภายในเราไม่เห็นของเขามองเห็นแต่สภาพกายภายนอกที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเพราะคำชั่วของเขาปิดบังความดีไว้ก็มีเช่นบางคน ถูกกำซัดไปให้เกิดในป่าดงอยู่ในสกุลที่ทุกข์ยากหรือเป็นคนมีรูปร่างพิกลี่การไม่น่าดูก็มีแต่ความดีภายในของเขาซึ่งสืบเนื่องมาในสายของอริยะมีอยู่ในจิตสันดานของเขาไม่มีใครอย่างรู้นอกจากคนที่จะมีตาทิพเท่านั้นจึงจะทราบได้เหตุนี้เราจึงไม่ควรไปเหยียดหยามดูถูกคนที่เขามีชาติสกุลต่ํากว่าเราให้ถือกัน เสมือนญาติพี่น้องวิสายหรือเสมอกับตนของตนนั่นแหละจึงจะควรเราจะต้องมีเมตตาพรหมวิหารประจําใจของเราอยู่เสมอเจ็ดพระพุทธเจ้านั้นท่านทรงมีพระเมตตากรุณาทั่วถึงไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เิรชานตลอดทั้งคนชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นสูงผู้ที่จะปลูกปัญญาให้เกิดบีในตนได้ก็ต้องอาศัยดวงจิตที่มีเมตตาพรหมวิหาร เราจะคบคนชั้นใดก็จะได้ประโยชน์จากคนทุกชั้นเปรียบเหมือนกับห อ, อกสามคมที่เวียงไปทางซ้ายเราก็ได้ประโยชน์จากคนชั้นสูงเวียงมาทางขวาก็ได้ประโยชน์จากคนชั้นต่ำพุ่งไปข้างหน้าก็ได้ประโยชน์จากคนชั้นกลางใครทำได้อย่างนี้ดีนักพระองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นคนดีฉะนั้นจงพากันรับหรือเสี่ยมหอกของเราให้แหลมคมเถิด เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการเดินทางของเราต่อไปข้างหน้าเมื่อเรามีมีดหรือหอกที่แหลมคมเช่นนี้แล้วถึงป่าทึบดงใหญ่ก็จะต้องกลายเป็นทุ่งนามองจากข้างขวาก็จะเป็นป่าเตียนโล่งมองทางซ้ายก็เตียนโล่งมองข้างหน้าก็โปร่งไม่มีอะไรปิดบังและธรรมดาของที่ว่างนั้นก็ย่อมเป็นที่ซึ่งปลอดภัยกล่าวคือโจรผู้ร้ายและสัตว์เสือ ก็ไม่มีที่จะทำอันตรายแก่เราเมื่อมีที่ว่างเช่นนี้เราก็จะเป็นผู้มีนามากมีสวนมาก 8. การเผาป่าคือตะปปธรรมเมื่อผู้ใดมีความเทียนในกรรมฐานอย่างตั้งใจผู้นั้นก็ย่อมจะแผดเผาเสียได้ซึ่งป่าดงพงไพรให้กลายเป็นปุ๋ยทำไร่ปลูกข้าวโพดแปลงกว่าสาลีเป็นสินค้านำมาซึ่งประโยชน์แห่งตนจนกลายเป็นเศรษฐีก็ได้เหตุนั้น ผู้มีปัญญาจึงไม่ต้องกลัวจนข้างซ้ายก็เป็นนาข้างขวาก็เป็นสวนจะมองไปทางไหนก็เพลิดเพลินเจริญตาไม่อัตคัดขาดแคลนคนโง่มันเปรียบเหมือนกับมีดขีเธอฟันอะไรก็ไม่ขาดปัญญาจะใช้สีไฟก็ไม่มีพบกอไผ่เถาวันก็จะชักเพลเยอรกันไปมาป่ามันก็จะชุ่มไปด้วยน้าปลูกอะไรก็ตายหมดหวานอะไรก็ไม่งอกงามมดมันก็ขนไปกินบ้าง จนผู้ร้ายขโมยไปบ้างในที่สุดก็จนตรอกเพราะตนไม่สร้างปัญญามองซ้ายก็มืดมองขวาก็มืดมองข้างหน้าก็เป็นเขาตันมองข้างหลังก็เป็นป่าทึบนี่เขาเรียกว่ามืดแปดทิศ ต, ตัวก็อดผอมโซเหมือนจะกวดหรือสุนักส่วนคนมีปัญญาเขาไม่จนอะไรสักอย่างเพราะอํานาจใจที่มีเมตตาพรหมวิหารปัญญานี้ก็ต้องอาศัยการเจริญตระปัอย่างหนึ่ง อาศัยความรู้ความเห็นอย่างหนึ่งดังท่านกล่าวไว้ในบาลีว่ากรณียมัทธกุสเลนะยันตังสั้นตังปะดังอภิเสเมจและเมตันจัสัปปะโลกัสมิงมานะซัมภาวะเยอปิริมานัง 7. คนเราที่อยู่ร่วมกันนี้ถ้าใครมีทางที่จะช่วยเหลือกันได้ทางทซั์ก็ควรช่วยทางทรัพย์มีทางที่จะช่วยเหลือกันได้ทางกายก็ควรช่วยทางกาย มีทางที่จะช่วยเหลือกันได้ทางวาจาก็ควรช่วยทางวาจาคนใดต่ํากว่าก็ดึงจุดเขาขึ้นมาให้เสมอกับเราถึงแม้เขาจะดีกว่าก็ใสไปเลยไม่เหนียวรั้งเขาลงมาคนสูงก็พยุงเขาขึ้นไปอีกคนชั้นกลางเสมอกันก็บำบัดทุกข์บำรุงสุขเขาให้ยิ่งกว่าตัวเราเมื่อเรามีเมตตาทั้งสามด้านเช่นนี้จะไปข้างหน้ามาข้างหลังก็ปลอดภัยศัตรู หรือคนที่จะเกลียดชังเราก็ไม่มีเหมือนกับเดินไปในทางที่เตียนโลง่งก็จะมีแต่ความเย็นสบายหันไปทางซ้ายก็มีไร่นาหันมาทางขวาก็มีข้าวมองไปข้างหน้าก็มีผลละหมากรากไม้มองไปข้างหลังก็มีแต่สเสบียงทิฏฐธรรมนิกขถประโยชน์ก็เกิดขึ้นสัำปรายยิกถประโยชน์ก็เกิดขึ้นปรมัตถประโยชน์ก็เกิดขึ้น 8. คนมีปัญญามีเมตตาเป็นตะปะรรมย่อมปราศเสียซึ่งอักคีภัยความร้อนไม่เกิดอุทกภัยอันเกิดจากน้ำท่วมก็ไม่มีสภาพภัยต่างๆจากคนและสัตว์ใิรัชฉานก็ไม่มีภัยธรรมชาติอันเกิดจากชราพยาธิมรณะก็ไม่มีคือถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะต้องประสบกับความแก่หรือความเจ็บไข้เขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนราคาญใจดวงจิต ก็เบิกบานอยู่เป็นนิดเมื่อมรณะภัยมาถึงก็ตายโดยไม่เหิวแห้งทุกจากภายนอกก็ไม่มีทุกภายในก็ไม่มีโสกะความโศกใจก็ไม่เกิดขึ้นปริเทวะความพิไรรำพันก็ไม่เกิดอุปายาตความเคลิบเคลิ้มใจก็ไม่เกิดกายก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์เมื่อกายใจไม่มีทุกข์แล้วทุกภายนอกอะไรมันจะเข้ามาได้คนที่ไม่มีความสุขนั้น ต่อให้กินข้าววันละสามกระทะก็ไม่มีความสุขจะได้เงินเดือนจากเดือนละสิบโกดก็ไม่มีความสุขอีกประการหนึ่งถ้าจะพูดถึงภัยอันเกิดแต่โรคต่างๆก็ย่อมเป็นผู้ปลอดภัยอีกโรคที่กล่าวนี้ก็ได้แก่จักขุโรโคโรคทางตาโสตะโรโคโรคทางหูคาณาโรโคโรคทางจมูกชิวหาโรโคโรคทางลิ้นกายะโรโคโรคทางกาย และมโนโรโคโรคทางใจเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นโรคตาก็เช่นมันอยากดูอะไรซอกซอกแตกๆถ้าได้ดูรูปที่ดีก็สบายใจถ้าไม่ได้ดูรูปดีไปพบเอารูปไม่ดีเข้าก็หน้าแห้งโรคหูก็เช่นเดียวกันถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมหรือฟังเขาสรรเสริญเยินยอก็สบายใจถ้าไปได้ฟังเขาด่าว่าหรือนินทาติเตียนก็หน้าแห้งอีกโรคจมูก ถ้าได้กลิ่นหอมก็ชื่นใจถ้าไปได้กลิ่นไม่ดีเข้าก็หน้ามืดวิงเวียนคลื่นเฮียนโรคกายถ้าได้นอนฟูกนอนหมอนที่อ่อนนุ่มหรือนอนบนตึกพรมใหญ่โตก็สบายใจถ้าไปนอนกระท่อมห้อมหอก็รู้สึกลำบากยากแค้นไม่มีความสุขสนุกใจเลยคนมีโรคนั้นถึงจะนอนที่ไหนก็ไม่มีสุขเหมือนคนที่เป็นโรคจะกินของอะไรก็กลัวเป็นของแสลง ถ้าได้ถูกสัมผัสดีก็สบายส่วนโรคใจนั้นถ้าคิดไปถึงคนดีก็เพลิดเพลินจเจริญใจคิดไปถึงคนชั่วก็ใจแห้งอีกดวงใจจะหาความสดชื่นไม่ได้เลยมีแต่ความแห้งแล้งเหมือนกับต้นไม้ในฤ ด, ดูร้อนเมษาฉะนั้นคนไม่มีโรคนั้นเขาจะดูจะเห็นจะฟังจะสูดกลิ่นจะลิ้มรสจะสัมผัสกระทบสิ่งอะไรอะไรทั้งดีและไม่ดีก็เกิดประโยชน์ไปทั้งนั้น ทางใจที่เป็นธรรมารมก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเป็นผู้ปราศจากโรคอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสุขมองไปทางศัตรูก็เมตตามองไปทางบิดามารดาก็เบิกบานแกมใสมองไปทางมิจหายาก็อบอุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เกิดพิษไปไหนก็ไปได้ดูอะไรก็ดูได้ดูข้างซ้ายก็ไหลไปทางขวามีตาก็ทะลุโปร่ปรง บังหูซ้ายก็ไหลไปหูขวามีหูก็ทะลุปลุโปรง่งที่จะเก็บมาขังไว้เหมือนน้าในกระบอกไม่ไผ่ไม่มีเลยใครจะขนเอาทรายมาใส่หรือขนน้ํามาใส่เท่าไหร่มันก็ไหลไปหมดเหมือนมีรูมีท่อตันหาอุปาทานความยึดมั่นก็ไม่เข้ามาฝังอยู่ในใจความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเต็มไปทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกับศาสนาพระศรีอานทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบเรียบไปหมด ไม่มีสิ่งใดเป็นความทุกข์ยากลำบากเลยพระธรรมเทศนาของ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการามแสดงพระธรรมเทศนาในตอนบ่ายวันพระสิบสิงหาคมสองพันห้าร้อย น้ำที่ถูกแดดหรือไฟเผาจนแห้งไปเหลือแต่หม้อหรือกานั้นเราจะบอกว่าน้ำไม่มีหรือความจริงมันก็มีอยู่แต่เมื่อถูกความร้อนมากๆเข้ามันก็กลายเป็นไอระเหยไปในอากาศหมดดังนี้เราจะพูดว่าน้ำไม่มีก็ไม่ได้น้ำนั้นก็ยังคงมีแต่มันแปลสภาพไปอยู่หน้าที่อื่นจิตของคนเรานี้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อร่างกายตายจิตของเราไม่ได้ตายไปด้วยแต่มันได้ย้ายสถานที่ไปอยู่ในที่ใหม่ตามแต่กรรมดีกรรมชั่วของบุคคลผู้นั้นสภาพที่มันคงมีอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าไม่ตายฉันใดดวงจิตของเราถ้ามันถูกไฟเผามากๆมันก็ต้องเสื่อมคุณภาพลงร่างกายถูกเผามากๆมันก็เสื่อมคุณภาพลง ไฟในที่นี้ก็ได้แก่ชราพยาธิมรณะซึ่งเป็นไฟมาเผาลนร่างกายของเรานี้อย่างหนึ่งและราคคีนาโทศักคีนาโมหคีนาก็เป็นไฟมาเผาลนดวงจิตของเราอีกขนาดหนึ่งไฟสามกองนี้เมื่อมาเผามากๆเข้าดวงจิตของเราก็เสื่อมจากความดี เพราะมีไฟเผาลนกายใจของเราอยู่ทั้งสองด้านกายกับจิต ก, ก็จะต้องสลายแตกแยกกันออกไปโคนละทิศละทางอันนี้เรียกว่าเป็นไปในการเกิดและการตาย 2. ถ้าใครต้องการความสุขก็ต้องปฏิบัติใจให้กิเลสหมดไปจึงจะไม่มีการเกิดและการตายกันอีกแต่การที่จะบอกกันให้รู้ว่าสถานที่ซึ่งไม่เกิด และไม่ตายของคนเรามีอยู่ที่ไหนนั้นเป็นของที่บอกกันได้ยากเหมือนกับชี้มือให้คนตาบอดดูช้างหรือควายเผือกการชี้มือจะให้คนตาบอดได้เห็นนี้ก็ย่อมเป็นการเหนื่อยเปล่าเพราะมันเป็นการเหลือวิสัยจริงๆฉันใดสถ า, านที่ไม่เกิดไม่ตายนี้จะบอกให้คนไม่รู้เรื่องเข้าใจก็เป็นการยากนอกจากคนที่จะมีปัญญาจริงๆนั่นแหละ จึงจะสามารถแลเห็นได้ว่าคนเราตายแล้วไปอยู่ที่ไหนและสถานที่ซึ่งไม่เกิดไม่ตายมีจริงหรือไม่ผู้มีปัญญาก็คือผู้ที่มีตาทิพย์หรือตาในที่เรียกว่ายานจักสุดได้แก่ผู้ที่ปฏิบัติจนได้แลเห็นธรรมตัวจริงแล้วนั่นแหละจึงจะมีดวงตาแลเห็นและเข้าใจเรื่องนี้ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นก็เห็นเราเมื่อเราเห็นธรรมที่ไม่ตายเราก็จะต้องเห็นท่านที่ไม่ตายเช่นเดียวกันฉะนั้นใครถึงธรรมที่ไม่ตายผู้นั้นก็ต้องได้พบสถานที่ซึ่งไม่ตายถ้าเรายังไม่พบก็ต้องบำเพ็ญให้เกิดตาขึ้นในดวงใจคนเราถึงแม้จะมีตาสว่างก็ตามแต่ใจมันมืดฉันใดธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งนำมากล่าวเตือนกันทุกวันนี้ ก็เปรียบเหมือนกับแก้วใสที่นํามาส่องให้ตาสว่างขึ้นได้พอคลําไปไม่ต้องตกหลุมตกบ่อเท่านั้นแต่ใจผู้ฟังยังมืดอยู่ฉะนั้นการปฏิบัติของเราจึงมีความเห็นแตกต่างจากกันก็เพราะเราต่างก็ตามืดแต่ว่ายังไม่ถึงกับบอดทีเดียวยังพอแลเห็นรัวรัวรังรังเพราะเหตุ น, นี้แหละพระพุทธศาสนาจึงทรงตัวมาได้ จนถึงปัจจุบันนี้ 3. คําว่าสมนานันจะดัสนังนั้นคือผู้ใดเห็นพระผู้นั้นก็จะได้เห็นภาพอันมโหราณแต่ต้องเห็นพระจริงๆเช่นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาหรือพระอระหรันพระโสดานั้นเราจะไปดูกันที่ตรงไหนพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอระหันเหล่านี้ รูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรเราจะมองดูภายนอกไม่รู้เลยนอกจากคนนั้นจะปฏิบัติธรรมให้มีในตนจริงๆถ้าไม่มีเราก็ยังไม่เห็นพระจริงๆจึงเรียกว่าตาเรายังมัวอยู่ก็แลเห็นแต่พระธรรมดาเท่านั้น 4. การที่จะปฏิบัติให้เห็นความจริงนี้ท่านจึงสอนไว้เป็นแนวทางสามข้อคือหนึ่ง มัตัญุตาจะผัดตัสมิงให้รู้จักประมาณในการบริโภคคือให้รู้จักกินอาหารพอสมควร 2. ปันตันจะปัญนาสนังให้ยินดีในที่สงัด 3. อธิจิตเตจะอาโยโ ก, โกบำรุงความสุขให้แก่ดวงจิตในข้อที่หนึ่งที่ได้รู้จักประมาณในการบริโภคนั้นมีอยู่สองอย่างคือ สิ่งใดที่จะเป็นไปในบาปกรรมให้งดเว้นอาหารนั้นๆเสียหรืออาหารสิ่งใดที่ไม่เกิดคุณประโยชน์แก่ร่างกายก็ไม่ควรบริโภคที่เรียกว่ามัตตัญุตาจะผัดตาสมิง 5. อาหารในที่นี้มีอยู่สองชนิดก อ, อาหารกายได้แก่อาหารเป็นคำคำที่บริโภคเข้าไ ป, ปบำรุงเลือดเนื้อขออาหารใจ ได้แก่ผัสสาหารวิญญาณอาหารและมโนสันเจตนาหารหนึ่งผัสสาหารได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดทพพะธรรมารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสองวิญญาณอาหารได้แก่ความรู้ดีชั่วในทวารทั้งห 3. สมมโนสันเจตนาหาร ได้แก่การตั้งจิตไว้ในอารมณ์ที่ชอบ6คนที่ไม่รู้จักประมาณในอาหารก็เปรียบเหมือนคนที่เป็นผู้ป่วยอยู่เมื่อไม่รู้จักอาหารที่แสลงก็ต้องอายุสั้นและตายเร็วใช่แต่เท่านั้นยังก่อความเสียหายให้แก่คนที่ใกล้เคียงเช่นพ่อแม่สามีภรรยาญาติกพี่น้องและลูกหลานเป็นต้น เขาก็จะต้องมีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายไปตามกันเช่นต้องไปหาเงินทองมาทำศพและเสียทรัพย์สิ่งของทาบุญทำทานให้ใช่แต่เท่านั้นเวลาเจ็บยังต้องรบกวนหมอและนางพยาบาลให้มาอยู่เป็นเพื่อนเฝ้าไข้จนดึกจนดื่นและต้องคอยดูแลให้อยู่จาอาหารตลอดจนให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นถ้าใครรู้จักรักษา ตนของตนระมัดระวังสำรวมดีในอาหารคนนั้นก็จะเป็นผู้มีโรคภัยน้อยตัวเองก็สบายคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนเจ็ 7. นิวรณธรรมห้าตัวนี้เปรียบเหมือนกับเชื้อโรคถ้ามันมาฝังอยู่ในใจของผู้ใดแล้วมันกลับจะก่อเชื้อให้ลุกลามขึ้นแล้วก็จะกัดกินดวงใจของผู้นั้นให้กร่อนไปทุกทีทุกทีดวงจิตก็จะตกลงไปต่า ยกไม่ขึ้น 8. วิญญาณอาหารหมายถึงวิญญาณทั้งหที่เกิดแต่รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธมารมรูปที่ชอบมันก็เป็นเหมือนน้ำตาลหรือน้ำอ้อยซึ่งเป็นของที่จะต้องอยู่ใกล้มดหรือมแมลงวันคือมดงามมันก็จะไปที่นั้นมแมลงวันมันก็จะไปที่นั้นรูปใดดีรูปใดสวย ก็เปรียบเหมือนกับก้อนน้ำตาลหรือน้ำผึ้งซึ่งพวกตัวมดมแมลงวีแล ะ, มะแมลงวันต่างๆมันก็จะต้องไหลหลังพังเคไปที่ก้อนน้ำตาลนั้นรูปไม่ดีก็เปรียบเหมือนกับของที่โสกปรกโสมมนอกจากจะมีเชื้อโรคในตัวของมันเองแล้วมันยังดึงดูดเอาสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเข้ามาอีกเพราะเป็นของซึ่งกลุ่มรุมไปด้วยมแมลงวนันแมลงวีและบุ้งนอน ถ้าเราไม่แลเห็นกลืนกินเข้าไปก็เป็นพิษเป็นโทษแก่ตัวเราเหมือนคนมีปากแต่ไม่มีฟันมีแต่เหงือ่อพบกระดูปเป็ดกระดูปไ ก, ก่เข้าเคี้ยวไม่ได้ก็กลืนเข้าไปตาเหลือกตาพองนี่ก็เหมือนคนมีตาแต่ไม่รู้จักพิจารณาไตร่ตรองก็กินเอามดมาแมลงวันและบุ้งหนอนเข้าไปด้วยเหตุนั้นเราจะต้องมีโยนิโสมนสิการว่าสิ่งใด พอใจและสิ่งใดไม่พอใจสิ่งใดควรรังเกียจหรือไม่ควรรังเกียจก่อนที่เราจะบริโภคอาหารนั้นๆเช่นนี้เรียกว่าเรามีมีดมีเขียงไว้สําหรับหันคือต้องพิจารณาด้วยตนของตนเองแล้วเราก็จะได้กินอาหารที่เป็นของสุขไม่เป็นผีเป็นยักษ์ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะเข้าใจผิดว่าของดีเป็นของไม่ดีของไม่ดีเป็นของดี ดวงจิตไม่แจ้งแจ้งในสิ่งนั้นก็เพราะเราไม่มีสติปัญญาเราก็จะกลืนกินอาหารที่เป็นพิษเข้าไปในหัวใจอย่างนี้เรียกว่ามีความโลภมากหลงมากเพราะกลืนกินเข้าไปโดยไม่ระวังจึงทำให้เป็นอันตรายแก่หัวใจเก้าอาหารในทางหูเรียกว่าผัดสาหารเช่นเสียงที่ชอบก็เป็นน้าตาลหรือขนมที่อร่อยอ นั่นแหละคนใดไม่มีปัญญาไม่มีตปะปรรมและโยนิโสมนาสีการก็จะกินอาหารที่มีพิษเข้าไปทั้งเน่าเน่านอนนอนของใดหวานก็จะกลืนเข้าไปทั้งก้อนมดนอนมแมลงวีมแมลงวันก็จะตามเข้าไปยังลําไส้ของตนทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษยังความดิ้นรนให้แก่ดวงใจใจของตนก็ป่วยอยู่แล้วเรายังจะกินยาพิษเข้าไปเพิ่มอีก เมื่อเป็นดังนี้ใครก็ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้นอกจากตนของตนเองสิ่งใดพอใจก็เป็นของหวานไม่พอใจก็เป็นของบูดเนา่าดวงจิตผู้นั้นก็เกิดทุกข์ทางจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันเมื่อเราจะกลืนกินซึ่งอาหารสิ่งใดเราก็ควรจะต้องโยนิโสมนศสีการในสิ่งนั้นเสียก่อนเหมือนเช่นที่ขณะสวดปฏิสังขาโย ก่อนที่จะบริโภคปัจใจสีดังนี้เป็นต้นและเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าของสิ่งนั้นๆคนที่นํามาให้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าวิฉะนั้นแล้วก็ยังความเศร้าหมองให้แก่ศีลวัตของตนได้ฉะนั้นต้องตั้งใจให้แน่แนว่วใช้สติเป็นเครื่องพิสูจน์ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพินิจแล้วเราก็จะได้กินอาหารที่เป็นธรรมคนไม่มีสติปัญญา ก็จะเหมือนกับยักษ์ที่กินทั้งของดิบของตายและของเนา่ากระดูปีหนังขนก็กลืนกินเข้าไปหมดเหมือนคนป่าคนดงที่ไม่รู้จักภาษาอะไรฝรั่งทุกวันนี้เขามีปัญญาสิ่งของบางอย่างที่เรากินไม่ได้เขาก็นำไปกลั่นกรองทําเสียจนกินได้และใช้เป็นประโยชน์อย่างดีคนไม่มีปัญญาเอาแต่ความโลภความหิวเป็นใหญ่ก็กินเข้าไป ทั้งปีทั้งหางทั้งก้างทั้งครีบสิ่งใดที่ไม่ปรารถนาก็ติดอยู่ในหัวใจสิ่งใดที่ปรารถนาก็ติดอยู่ในหัวใจไปไหนก็เหมือนก้างติดคอถ้าเรามีตาปาก ร, รมคือศีลมีสติคือสมาธิมีความรู้คือปัญญาแล้วก็เท่ากับเรามีไฟมีเตามีมีดเราก็จะทำความสำเร็จในอาหารของเราได้อย่างดี อาหารชนิดที่สองคือมโนสันเจตนาอาหารถ้าเราตั้งใจไว้ในที่ผิดก็ย่อมเป็นโทษเช่นไปนึกถึงคนที่เราเกลียดโกรธว่าถ้าเราไปพบกับคนนั้นเราจะต้องพูดอย่างนั้นอย่างนั้นทีเดียวนี่ก็เรียกว่าตั้งใจไว้ในอารมณ์ที่ผิดบางคราวก็ในเรื่องที่ผิดมโนคือดวงใจถ้าเราตั้งใจไว้ในที่ดีที่ชอบก็จะไหลไปในทางที่ดี ความลืมความหลงก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นบางคราวเราก็ระลึกถึงวัดระลึกถึงศีลถึงทานที่เราทำไประลึกถึงครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็เป็นการตั้งกิจไว้ในอารมณ์ที่ดีที่ชอบเรียกว่ามโนสันเจตนาหารยังความชื่นบานให้เกิดในใจตนเหมือนคนในครั้งพุทธกาลนั้นใจของเขาน้มไปในพุทธานุสติธรมมานุสติ และสังคานุสติเขาก็ได้เข้าถึงไตรสระคมเป็นพระอริยะเหตุนั้นบุคคลใดหรือเรื่องใดที่ยังความเจริญให้แก่ดวงใจของเราแล้วก็ควรน้อมนึกถึงผู้นั้นเพื่อจะได้ยังดวงจิตให้มีกำลังพ้นไปจากนิวรณธรรมซึ่งเป็นม่านเมาะและบุ้งนอนมาปิดบงังและเกาะกินดวงจิตของเราบุคคลนั้น ก็จะมีกําลังที่จะเพนขึ้นไปสู่มรรคผลนิพพานได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าเป็นแม่ครัวที่ดีถ้าเป็นชายก็ได้ชื่อว่าเป็นพ่อครัวที่ดีใครไม่รู้จักต้มไม่รู้จักหุงไม่รู้จักปรุงอาหารของตัวก็จะต้องกินเข้าไปทั้งดิบๆเหมือนกับผีกระสือนั่นแหละ11อาหารก้อนที่สามคือผัดสาหาริกรูปใดที่มาทางตา เสียงใดที่มาทางหูกลิ่นใดที่มาทางจมูกก็ดีหรือสิ่งใดที่จะยังประโยชน์ให้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็ควรสนใจในสิ่งนั้นให้มากๆเสมอเป็นนิดรสใดเป็นพิษอยากกินเข้าไปสิ่งใดเป็นคุณเป็นประโยชน์จึงควรสนใจนำเข้ามาสัมผัสกระทบกายอันใดจะเป็นบุญกุศลแม้จะเป็นทุกข์ เราก็ควรอดทนได้เช่นทนแดดทนฝนทนหนาวสัมผัสใดไม่ยังกุศลให้เกิดขึ้นได้ก็จงสลัดเสียดวงใจก็เหมือนกันเมื่อทำได้อย่างนี้อาหารดีก็จะไหลเข้าไปเป็นประโยชน์แก่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ซึมซาบอาบเข้าไปในดวงใจเราก็จะเป็นผู้สงัดจากบาปสงัดจากกิเลสคืออธิจิตเตจาโยโกดวงจิต ที่จะเป็นไปในนรกเปรตอสุนรากายก็จะสูญหายไปยังดวงจิตของอริยชนให้เกิดขึ้นกล่าวคือพระโสดาสกิทาคาอนาคาและอรหันจิตนั้นก็จะมั่นคงตรงไปถึงซึ่งพระนิพพานทำให้พ้นไปจากไฟบันหลหยกันที่มันจะเผาผลาญเราได้ด้วยประการชนิด